อารมณ์กามฉันได้กล่าวแล้วว่าเมื่อครูบา ร, รมียังมีความดีกล้าแข็งไม่เต็มบริบูรณ์ยังบกพร่อง คู่อาศาวะก็ได้โอกาสเข้ายึดจุดบกพร่องเพื่อแผ่ขยายกำลังให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้นคู่อาศาวะกับสมุทัยและพรกพวกได้พยายามต่อต้านขับไล่ฝ่ายคู่บา ร, รมีเต็มที่ส่งพวกหัวโจกคือโลโพโทโสโมโหกับสมุนทั้งหลายออกขับไล่ศีลฮิริอตตปะอินทรีสังวรสติสัมปัญญะสันโดษบรรดาที่เป็นฝ่ายคู่บา ร, รมี แต่พวกหัวโจกกับสมุนทั้งปวงเป็นพวกคนจอนหมอนบินดังที่ได้กล่าวแล้วต้องเกลี้ยกล่อมแสวงหาเข้ามาและบำรุงที่สําคัญก็คืออารมณ์ได้กล่าวมาแล้วว่าสมุทรไทยได้แทรกอารมณ์เข้าสู่จิตนาการทางระบบสื่อสารทั้งปวงจะได้กล่าวถึงอารมณ์ต่อไปอีกเมื่ออารมณ์เข้าไปสู่จิตนครทางระบบสื่อสารแล้วสมุทรไทยก็ใช้อารมณ์นี้แหละ เป็นสะพานส่งกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเข้าสู่จิตนครเป็นทิวแถวและคุมไว้ในอำนาจจะระบุถึงสักห้าจำพวกคือจำพวกที่หนึ่งมีชื่อว่ากามฉันทะมีลักษณะอาการเป็นความพอใจรักใคร่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผัพสะที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจทั้งหลาย จำพวกนี้ตามหลังอารมณ์บางอย่างเข้ามาคืออารมณ์ที่มีชื่อว่าสุภนิมิตเข้ามาถึงจิตนครเมื่อใดเมื่อนั้นจิตนครจะปรากฏว่างดงามหน้าดูหน้าฟังหน้าดมหน้าลิ้มหน้าถูกต้องไปเสียทั้งนั้นจิตนครจะเป็นเมืองงามไปทันทีโดยสีสันวันณนะด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสิ่งถูกต้องทั้งหลาย ทีนี้การมาฉันทะก็เข้ามาทันทีชาวจิตตนครก็พากันยินดีพอใจรักใคร่สนุกสนานเรื่องเริงกันทั้งเมืองบางก็เที่ยวดูการละเล่นเต้นรำนาน า, นานชนิดมีทุกแบบไม่ว่าแบบไทยแบบฝรั่งแบบแขกจีนยวนขเขมพรพมา่ามอนว่าถึงแบบไทยก็มีพร้อมไม่ว่าจะเป็นโขนละครลิเกหนังใหญ่หนังตลงุงตลอดถึงหนังญี่ปุ่น ที่บัดนี้เรียกกันว่าภาพยนตร์บางก็เที่ยวฟังการร้องรำทำเพลงดีสีตีเป่าต่างๆมีดนตรีทุกแบบทุกชนิดทุกภาษาบางก็เที่ยวสูดดมกลิ่นสุขันธชาตินานาชนิดตลอดถึงสูดอากาศบริสุทธิ์สะอาดจากที่ต่างๆบางก็เป็นนักกินก็เที่ยวบริโภคอาหารอันโอชะนานาชนิด ในโภชนาคารอันมีอยู่ทั่วไปบางก็สแสวงหาสิ่งสัมผัสที่ถูกใจอันมีอยู่มากเช่นเดียวกันและดังที่ได้กล่าวแล้วว่าอันรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะทั้งปวงในโลกถ้าจะถามว่าอะไรเป็นยอดก็ตอบได้ตามคําของพระบรมครูว่ายอดนั้นคือของสตรีเป็นยอดสําหรับบุตรและของบุรุษเป็นยอดสําหรับสตรี เมื่อจิตตนครนเป็นเมืองงามขึ้นด้วยอารมณ์อันมีชื่อว่าสุภนิมิตดังพนาณามาชาวจิตตนครนก็พากันเพลิดเพลิพนยินดีในความงามคือในรูปเสียงเป็นต้นตั้งแต่ชั้นยอดลงมานี่แหละคือที่เรียกว่ากามาฉันทะสามัญชนย่อมมีกามาฉันทะอันเป็นของธรรมดาแต่ถ้าปล่อยให้กามาฉันทะมีอำนาจรุนแรงเหนือความรู้สึกผิดชอบช่วดีก็ผิด แม้การมาฉันทะจะเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในสามัญชนแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่ในขอบเขตได้คือถ้าความพอใจรักใคร่ปรารถนาเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่สมควรก็ต้องบังคับยับยั้งไว้ไม่ปล่อยให้ดาเนินต่อไปเช่นนี้จึงจะควรพยาบาทจะกล่าวถึงจำพวกที่สองที่มีชื่อว่าพยาบาท มีลักษณะอาการเป็นความงดหงิดขัดเคืองโกรธแค้นเดือดดานจนถึงมุ่งร้ายในบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งหลายจำพวกนี้ตามหลังอารมณ์บางอย่างเข้ามาเช่นเดียวกันคืออารมณ์ที่มีชื่อว่าปฏิคนิมิตเครื่องกำหนดหมายเป็นที่น่าชังเป็นที่ขวางตาขวางหูขัดจมูกขัดลิ้นไม่สบายกายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจีตนครที่เคยเป็นเมืองงาม ก็จะกลายเป็นเมืองที่น่าเกลียดน่าชังไปทันทีโดยสีสันวันนะเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องอารมณ์ทั้งหลายซึ่งปรากฏเป็นของปฏิกกลกระทบจิตใจไปทุกอย่างทีนี้พยาบาทก็เข้ามาทันทีชาวจิตนครก็พากันหงุดหงิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวสุดแต่อารมณ์ที่ชื่อว่าปฏิกานิมิตจะเข้ามาถึง สิ่งไหนแรงขึ้นมาก็พากันโกรธแค้นขัดเคืองเดือดดานจนมุ่งร้ายในบุคคลหรือสิ่งนั้นๆทุกอย่างตรงกันข้ามกับอารมณ์ที่ชื่อว่าสุพนิมิตเข้ามาบรรดาการละเล่นเต้นรำเป็นต้นว่าโขนละครซึ่งเป็นอาหารอันโอชาของตาจะหายไปหมดจะปรากฏเป็นความถมึงตึงเครียดถ้าจะมีการเต้น ก็ไม่ใช่การเต้นรำทำเพลงแต่เป็นการเต้นเพื่อทำร้ายด่าทอแทนเสียงขับร้องการที่จะปฏิบัติต่อกันทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัด้วยอำนาจของราคาก็กลายไปเป็นปฏิบัติต่อกันด้วยอำนาจของโทสะจิตนครก็กลายเป็นเมืองร้อนด้วยไฟโทสะอันที่จริงเมื่ออารมณ์ที่มีชื่อว่าสุพนิมิตเข้ามาและการมาฉันทะติดตามเข้ามาด้วยนั้น จิตนครกลายเป็นเมืองที่งดงามสนุกสนานเหมือนอย่างเต็มไปด้วยความสุขแต่ก็เป็นเมืองร้อนด้วยไฟราคะเช่นเดียวกันผู้ที่พิจารณาจะมองเห็นได้สมุทยส่งอารมณ์ทั้งสองนี้เข้าไปสู่จิตนครเสมอและส่งกา ร, รมฉันทะกับพยาบาทติดตามเข้าไปทันทีซึ่งก็ได้ผลคือทำให้จิตตนครลุกโพล่อยู่ด้วยไฟราคาบ้างโทสะบ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไปความโกรธเป็นของธรรมดาที่ยังจะต้องมีอยู่ในผู้เป็นสามัญชนแต่เมื่อความโกรธเกิดแล้วไม่ควรให้เลือกอยู่เป็นความพยาบาทควรพยายามทาใจให้เพียงโกรธแล้วก็มีหายส่วนที่จะโกรธอีกนั้นก็ยังดีกว่าให้เป็นความพยาบาทผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรจะต้องฝึกใจให้เพียงแต่โกรธ ไม่ถึงพยาบาทเสียก่อนแล้วจึงฝึกแก้โกรธให้ลดน้อยถึงหมดไปในภายหลังนอกจากนี้สมุทรไทยยังทำให้จิตตนครเป็นเมืองง่วงเหงาหลับไหลไปก็ได้โดยส่งอารมณ์บางอย่างเข้าไปเช่นความเบื่อไม่ยินดีหรือความเก็ดคร้านความบิดแช์เชือนความเมาอาหารความมีใจย่อหย่อน ยังได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเมื่ออารมณ์ดังกล่าวเข้าไปถึงจิตนคอจำพวกที่สอันมีชื่อว่าถีนมิทธะซึ่งมีอาการง่วงงุนเคลิบเคลิ้มจะติดตามเข้าไปทันทีจิตนครที่เคยเรื่องเริงหรือตึงเครียดจะกลายเป็นเมืองง่วงหรือหลับไปทันทีไม่เช่นนั้นก็ห่อเหี่ยวเกียดคร้าน คล้ายกับเวลาที่ใครๆนั่งฟังครูอธิบายหรือที่นั่งฟังเทศมักจะง่วงความง่วงมักจะแอบหลังความสงบเข้ามาเวลานั่งฟังเทศจิตมักสงบจากเรื่องต่างๆเมื่อสงบจิตก็มักรวมแคบเข้ามาดุดตะเกียงหรี่เป็นโอกาสให้ความง่วงรอบเข้ามาทำให้งุบงับสับสงบทันทีจิตสว่างขึ้นกว้างขึ้นเมื่อใด ความง่วงถอยหนีแต่สมุทยก็ไม่ทิ้งโอกาสเช่นนี้รีบส่งอารมณ์เข้าไปอีกอย่างหนึ่งคือความฟุ้งซ่านแห่งใจส่งตามติดเข้าไปและส่งตามไปด้วยจำพวกที่สซึ่งมีชื่อว่าอุทะจักกุกุจจะมีลักษณะอาการเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตนครก็กลายเป็นเมืองฟุ้งไปทันทีจะฟุ้งอย่างไร ให้คิดเทียบเอาเองกับเวลาที่มีลมแรงพัดฝุ่นคลุ้งไปทั้งหมดมิใช่แต่เท่านี้จิตนครยังต้องเผชิญกับอารมณ์อีกอย่างหนึ่งคือรำที่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่ตกลงได้แล้ววิจิกิจฉาก็จู่โจมเข้ามาทันทีวิจิกิจฉานี้เป็นจําพวกที่5มีลักษณะเป็นความลังเลสงสยัยไม่แน่นอนใจ เมื่อเข้ามาถึงจิตนครก็กลายเป็นเมืองแห่งความสงสัยลังเลทุกคนพากันนั่งลังเลไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีสมุทัยชอบใจที่ได้เห็นจิตนครมีอารมณ์และอาการต่างๆดูเป็นที่สับสนอลหมานเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้และสมุทัยกลัวทำบางข้อคือโยนิโสมนสิการได้แก่ความทำไวในใจโดยแยบคาย ถ้าทำข้อนี้เข้าไปสู่จิตตนครแล้วพวกอารมณ์ทั้งปวงก็หมดอำนาจจิตนครจะเป็นเมืองสุขสงบขึ้นทันทีฉะนั้นสมุทัยจึงพยายามใส่อะโยนิโสมนสิการได้แก่ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเข้าไปในอารมณ์ทุกอย่างอารมณ์เหล่านั้นจะกระด้างแข็งแรงขึ้นเป็นชนวนนำนิวรันขึ้นมาทันที อยโยนิโซมนสิการเป็นสมุนสำคัญของสมุทรไทยอีกผู้หนึ่งการทําไว้ในใจโดยแยบคายคือการพิจารณาเรื่องราวของจิตคืออารมณ์ให้แยบคายคือให้เห็นผิดถูกชั่วดีควรไม่ควรอย่างไรกล่าวอีกอย่างก็คือการมีเหตุผลในการรับอารมณ์เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นก็ให้สามารถทําใจพิจารณาอย่างแยบคาย ไม่ปล่อยให้รุนแรงไปตามกำลังโดยไม่ต้านทานให้อ่อนลงโดยอำนาจการพิจารณาให้แยกขายเลยบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรฝึกจิตให้รู้จักคุ้นเคยกับการทำไว้ในใจโดยแยกคายคือให้มีโยนิโสมนัสิการอยู่เสมอจะสามารถพาจิตให้พ้นอำนาจของสมุทยัยผลจากโยนิโสมนัสิการได้ผลก็คือจะมีความสุขสงบในใจ ไม่มากก็น้อยอโยนิสโสมานสิการได้กล่าวไว้ว่าสมุทัยชอบใจที่เห็นจิตนครมีอารมณ์และอาการต่างๆดูเป็นที่สับสนโอลมานเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้และสมุทัยกลัวทําบางข้อคือโยนิสโสมานสิการได้แก่ความทําไว้ในใจโดยแยบคายถ้าทํานี้เข้าไปสู่จิตตนครแล้ว อารมณ์ทั้งปวงก็หมดอำนาจจิตนครจะเป็นเมืองสุขสงบขึ้นทันทีฉะนั้นสมุททยจึงพยายามใส่อโยนิโสมนสิการได้แก่ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเข้าไปในอารมณ์ทุกอย่างดูเหมือนยังแสดงหน้าตาของอโยนิโสมนสิการสมุนสำคัญของสมุททยอีกผู้หนึ่งไวไม่ชัดตักดังนั้นจะได้แนะนำอีกสักหน่อย คำนี้ตามศัแ์แปลว่าความทาไวในใจโดยทางไม่ใช่ต้นเหตุคำว่าความทำไว้ในใ จ, ใ ต, น ต, ในใจตรงกับคำที่พูดกันง่ายๆว่าใส่ใจหมายถึงเอาใจใส่คิดพินิษพิ จ, จารณาก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างจะต้องมีต้นเหตุซึ่งให้เกิดผลที่แรกที่น่าจะเรียกว่าต้นผลเช่นเดียวกัน ผลที่แรกนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปอีกและผลนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลสืบไปอีกกว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้ตาเห็นหูได้ยินดังที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์ก็จะมีเหตุผลสืบกันมาหลายชั้นคําว่าโดยทางไม่ใช่ต้นเหตุหมายความว่าเหตุผลของสิ่งที่ปรากฏนั้น เป็นไปโดยทางหนึ่งแต่ใส่ใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่งยกตัวอย่างปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเช่นฟ้าแลบฟ้าผ่ามีเหตุผลว่าทาไมฟ้าจึงแลบฟ้าจึงผ่าที่สัมพันธ์กันไปหลายอย่างดังที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทราบกันดีอยู่แล้วแต่ก็ต่างจากเหตุผลที่คิดกันในสมัยโบราณเช่นดังที่คิดเห็นว่านางเมฆลาล่ อ, อกแก้ว รามาสุลเวี่ยงขวานจันท ร, ราคราดสุริยคราดในครั้งโบราณเข้าใจกันว่ายักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าราหูอมจันอมอาทิตย์แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แสดงเหตุผลดัง ท, ที่ทราบกันอยู่ทั่วไปและได้คำนวณจับเวลากับทั้งสถานที่ที่จะมองเห็นด้วยตาได้แน่ชัดถูกต้องแม้สิ่งที่ปรากฏอย่างอื่น ก็ย่อมมีเหตุผลของแต่ละสิ่งเช่นเดียวกันตลอดถึงสิ่งที่ปรากฏของสัตว์บุคคลเช่นมีเรื่องเล่าถึงนักบวชในลทัทธิอย่างหนึ่งผู้หนึ่งเดินทางไปพบวัวดุตัวหนึ่งเข้าวัวดุตัวนั้นก็ตั้งท่าก้มศีรษะลงนักบวชผู้นั้นคิดว่าแม่วัวตัวนี้ช่างรู้คุณของเราก้มศีรษะลงเพื่อคำนับนอบน้อมต่อเรา ดีกว่าคนเป็นอันมากที่ไม่รู้คุณของเราฝ่ายวัวดุนั้นก็ตรงเข้าขิดนักบวชผู้แปลผิดนั้นถึงแก่สิ้นชีวิตตัวอย่างนี้แสดงว่ากิริยาที่วัวกม้มศีรษะลงนั้นมีต้นเหตุในทางหนึ่งคือต้องการจะเตรียมขิดแต่นักบวชผู้นั้นเอาใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่งว่าเขาจะคานับเราจึงตั้งท่ารับคานับเต็มที่ วัวจึงขิดได้อย่างถนัดทันหนีนี่เป็นตัวอย่างของอโยนิโสมนัสิการอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะยกขึ้นคือความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการครองชีพเป็นต้นซึ่งต้นเหตุถ้าจะมาจากธรรมชาติดินฟ้าอากาศและจากกรรมของคนถ้าจับต้นเหตุถูกก็น่าจะแก้ได้เช่นสร้างเขื่อนกั้นระบายน้ํา สร้างอ่างเก็บน้าทำฝนเทียมเป็นต้นและแก้ที่กรรมของคนคือทั้งฝ่ายผู้ปกครองทั้งฝ่ายผู้อยู่ในปกครองตั้งอยู่ในสุจริตต่อกันคือผล น, นั้นเกิดจากเหตุอันใดก็แก้กรรที่เหตุอันนั้นเมื่อแก้ไปที่ละเปราะละเปราะจนถึงต้นเหตุโดยพร้อมเพรียงกันและโดยฉับพลันก็จะเกิดผลดีขึ้นฉับพลันทันตาเห็นเช่นเดียวกัน แต่ถ้าแก้โดยอโยนิโสมนสิการแล้วก็จะเกิดผลเหมือนดังที่นักบวชผู้นั้นได้รับนี้เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งของอโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการมีโทษแม้เพียงดังตัวอย่างที่ยกมากล่าว<ๆ>ก็เป็นโทษที่ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนดังนั้นทุกคนจึงควรกาจัดอโยนิโสมนสิกาให้สิ้นไปด้วยการทา โยนิโสมนสิการให้มีอยู่เสมอขนโลกโรงใหญ่สมุทยใช้อโยนิโสมนสิการนี้แหละเป็นลูกมือให้ลอบเข้าไปในจิตนครกับอารมณ์ทำให้ชาวจิตนครเคลิบเคลิ้มไปแล้วนิวรก็วิ่งเข้ามาทันทีดังจะพึงเห็นได้เช่นในบ้านเมืองทั้งหลายก็จะต้องมีคนเดินไปเดินมาประกอบ ธุรกิจต่างๆจะต้องมีของสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกคนจะต้องได้เห็นอะไรต่ออะไรได้ยินอะไรต่ออะไรได้กลิ่นอะไรต่ออะไรได้รสอะไรต่ออะไรได้ถูกต้องอะไรต่ออะไรได้คิดอะไรอะไรเพราะก็ต่างมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอยู่ด้วยกันแม้จะมีประสาท5อันใดอันหนึ่งพิการเช่นตาบอด หนวกแต่ก็ยังมีใจซึ่งเป็นระบบสื่อสารชั้นในคิดอะไรต่ออะไรได้อยู่น่าจะเรียกว่าประสาทชั้นในก็ได้ทั้งนี้เว้นไว้แต่บางคนที่ประสาทชั้นในดังกล่าวเสียดังเช่นเป็นโรคเกี่ยวแก่สมองกลายเป็นเสียจริตบ้าบอไปก็กลายเป็นคนมีความคิดเลื่อนเปืื่นเป็นที่สมใจของสมุททย เพราะเมื่อเป็นบ้าเป็นบอไปเสียแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของสมุทัยเต็มที่ฝ่ายคู่บา ร, รมีมีพร้อมทั้งพระบรมครูไม่อาจช่วยได้ความเป็นบ้าเป็นบอก็เนื่องมาจากอารมณ์อันประกอบด้วยอโ อ, อนิโสมนัิกานี้แหละที่รุนแรงสักหน่อยทั้งประกอบด้วยกรรมเก่าบางอย่างด้วยกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ทั้งปวง ก็เนื่องมาจากอารมณ์กระตุ้นให้เกิดเจตนาก่อกรรมนั้นๆขึ้นฉะนั้นต้นทางหรือต้นเหตุแห่งกรรมและผลทั้งปวงจึงอยู่ที่อารมณ์กับอโยนิโสมนสิการนี้เองดังจะยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งเหมือนดังที่ได้กล่าวแล้วว่าทุกคนมีตาจะต้องมองเห็นรูปอันที่จริงก็สักแต่ว่าเห็นรูปเท่านั้น แต่เมื่อทุกคนรับรูปเข้าไปในใจมิใช่หมายความว่าใส่รูปไว้ในใจโดยตรงเพราะรูปเป็นวัตถุจะนำใส่เข้าไปไม่ได้ต้องถอดรูปออกเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุเช่นเดียวกับใจซึ่งไม่ใช่วัตถุคือถอดรูปออกเป็นอารมณ์ดังที่เรียกในภาษาทั่วไปว่าเรื่องแล้วใส่เข้าไปในใจเรื่องนี้เองที่ใจรับเมื่อถอดจากรูป ก็เรียกว่าเรื่องรูปหรือเรียกตามสับแสงว่ารูปารม์เมื่อถอดจากเสียงก็เรียกว่าเรื่องเสียงหรือสัทธารมณ์ดังนี้เป็นต้นสมุทยัยรีบส่งอโยนิโสมนสิการไปกับอารมณ์ทันทีใจจึงรับเรื่องเข้ามาผิดที่ผิดทางผิดเหตุผิดผลเพราะใจไม่ได้คิดถูกตรงตามเหตุว่าสักแต่ว่าเป็นรูป สักแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถอดรูปออกเสียแล้วเท่านั้นแต่คิดเหมือนกับรับรูปที่เป็นเปลือกนอกทั้งรูปเข้าไปไว้ในใจทั้งปั้นแต่งให้สวยสดงดงามก็ได้ปั้นแต่งให้หน้าเกลียดหน้าชังก็ได้ให้ดูเป็นกลางๆไม่ใช่หน้ารักไม่ใช่หน้าชังก็ได้ไอโยนิโสมนัสิกานี้แหละเป็นผู้ปั้นแต่งน่าจะคล้ายๆกับ ผู้แต่งตัวโขนละครที่หลังฉากนั้นก็ไม่มีพระนางยักษ์ลิงอะไรที่ไหนแต่มีผู้แต่งตัวให้เป็นพระเป็นนางเป็นยักษ์เป็นลิงออกไปเต้นเป็นพระเป็นนางเป็นยักษ์เป็นลิงไปตามบทบาทกลับเข้าหลังฉากก็เลิกกันอโยนิโสมนรสสิกานก็เหมือนผู้แต่งตัวโขนละครนี้แหละคือแต่งอารมณ์ให้เป็นพระ เป็นนางการมาฉันทาก็วิ่งเข้าทันทีชาวจิตนครซึ่งเป็นเหมือนผู้ดูก็ชอบใจรักใคร่ตัวพระตัวนางยิ่งนักเมื่อเป็นตัวยักษ์ตัวมารพยาบาทก็วิ่งเข้าทันทีเหมือนกันผู้ดูพากันเกลียดชังตัวยักษ์ตัวมารอันที่จริงเป็นตัวที่แต่งขึ้นทั้งนั้นไม่มีสัจจะคือตัวจริงอยู่เลยผู้ที่มาบริหารจิตทั้งหลาย ควรได้มีสติและเห็นอารมณ์ของตนและควรให้โยนิโสมณสิการเกิดขึ้นทันเวลาคือสามารถเข้าใจได้ท่องแท้เพราะสมควรว่าอารมณ์นั้นเกิดเพราะอโยนิโสมณสิการปั้นแต่งขึ้นไม่ควรเข้าไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจังเมื่อโยนิโสมณสิการเกิดทันอโยนิโสมณัสิกานก็จะหลีกไปกามฉันก็ตามพยาบาท ก็ตามก็จะไม่เกิดขึ้นขณะที่ใจปราศจากกามฉันปราศจากพยาบาทใจก็ย่อมมีความสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งจิตตะภาวนาฝ่ายคู่บา ร, รมีของนครสามีก็ไม่ใช่ว่าจะเฉยเมยทอดทุระปล่อยให้สมุทัยทำเอาข้างเดียวได้พิจารณาว่าจะแก้ไขยอย่างไรดีแม้จะมีพักพวกฝ่ายบา ร, รมี มีศีลฮิริโอตปะเป็นต้นเข้ามาช่วยในจิตนครบ้างแล้วก็ยังวางใจไม่ได้พระนครสามียังรับไว้ใช้ทั้งสองฝ่ายบางทีก็แบ่งเขตกันในระหว่างหัวโจกสำคัญของสมุทยคือโลโพโทโสมโหกับศีลฮิริโอตปะเป็นต้นก็ดูเหมือนกับบ้านเมืองทั่ ว, วไปซึ่งวัดวาอารามก็สร้างกัน โรงฆ่าสัตว์โรงสุราตลอดถึงโรงหนังโรงละครและสถานอบายมุกต่างๆก็สร้างกันศีลก็อยู่แต่ในวัดออกนอกวัดก็เป็นถิ่นของโลโพโทโสโมโหนักเลงหัวไม้ถ้าไม่รีบปราบปรามสมุนสำคัญของสมุทัยที่เข้าไปแต่งอารมณ์ในจิตนครก็น่ากลัวว่าวัดเองก็จะถูกพังทลายหรือถูกนักเลงหัวไม้เข้ายึด โดยขับไล่ศีลให้ออกไปถ้าถึงขั้นนั้นศีลเป็นต้นก็จะต้องหนีออกไปจากจิตนครฉะนั้นคู่บา ร, รมีจึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูเจ้าได้ตรัสแนะนำวิธีการแก้ไขด้วยวิธีที่เรียกว่าจิตตะภาวนาโดยใช้นิมิตเป็นเครื่องกำหนดหลายอย่างกับโยนิสมนสิการ ซึ่งเป็นคู่ป ร, รับอโยนิโสมนสิการคู่บรารมีได้สดับพระบรมพุทโธวาตก็มีความเ่้มชื่นมองเห็นทางชนะรีบปฏิบัติตามพระโอวาทแห่งพระบรมครูเจ้าทันทีการทำจิตตภาวนาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทำกรรมฐานนั้นเป็นทางแก้ไขความวุ่นวายในใจอย่างได้ผลควรแก่ความปฏิบัติปฏิบัติรมสมควรแก่ทำระดับไหน ยอมจะได้รับผลความสงบสุขของจิตใจระดับนั้นผู้ปรารถนาความสงบสุขในจิตใจจึงควรได้รู้จักการทำจิตภาวนาหรือทำกรรมฐานโดยทั่วกันเพราะเป็นทางที่จะนาไปสู่ความสุขได้จริงอุดผู้ก้าวหน้าพระบรมครูตรัสแนะนาให้ใช้วิธีจิตภาวนาทันทีแปลว่าวิธีอบรมจิตเพราะจาเป็นที่จะต้องชาระ ฟอกล้างฝึกขม่มรักษาคุ้มครองป้องกันอย่างเต็มที่จะทำกันอย่างเล่นๆย่อหย่อนหาได้ไหมฝ่ายสมุทรไทยจะต้องระดมกำลังเต็มที่ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าฝ่ายคู่บา ร, รมีจะช่วงชิงอานาจไปจากตนถ้ายังไม่มีค่าสึกยกเข้ามาจากภายนอกหรือเกิดขึ้นภายในเพื่อที่จะยึดอานาจสมุทรไทยก็คงปล่อยไวอย้อย่างย่อนๆย่อน หรือดังที่เรียกว่าผูกไว้อย่างหย่อนหย่อนคล้ายกับผูกสัตว์เลี้ยงไว้แต่โรยเชือกให้เดิอนออกไปกินหญ้าได้ไกลๆจนบางทีสัตว์เลี้ยงนั้นนึกว่าไม่ได้ถูกผูกจะเดินให้ไกลออกไปอีกแต่สุดเชือกที่โรยไว้เสียแล้วเชือกก็จะกระตุกไว้ไม่ให้ไปถึงตอนนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้นั้นจะรู้สึกตนว่าถูกผูกไว้หาได้เป็นอิสระไม่ ถ, ถอยกลับมาเดินไปมาอยู่ในระยะที่เชือกหย่อนๆก็จะรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นอิสระไม่ถูกผูกในเวลาสถานการณ์ปกติสมูทัยก็ผูกไว้ดังนี้ปล่อยให้ไปมาได้จนคล้ายกับเป็นอิสระเสรีไม่คิดที่จะสลัดเชือกออกสมูทยมีวิธีมากใช้เล่เหลี่ยมต่างๆอย่างที่คนทั่วไปตามไม่ทันดูก็คล้ายๆกับที่มนุษย์ซึ่งเป็นสัฉลาดในโลก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 เขาผูกอูดกับหลักที่ปักไว้ตรงบ่อแล้วผูกอูดกับหลักนั้นให้มีระยะห่างจากบ่อตามสมควรแล้วให้อูดเดินวนบ่อชักน้ําขึ้นมาแต่อูดจะไม่ยอมเดินวนคนจึงใช้ผ้าผูกตาอูดเสียแล้วให้อูดเดินอูดจึงยอมเดินเพราะเข้าใจว่าเดินไปข้างหน้าเรื่อยหาได้เดินวนไหมแต่ที่แท้ก็เดินวนรับใช้ ชักน้ําให้ชาวนาอยู่นั่นเองเช่นเดียวกับม้าสวมแว่นก็กินหญ้าแห้งโดยคิดว่าเป็นหญ้าสดอยู่นั่นเองอูดก็เป็นสุขอยู่ในการเดินวนเพราะคิดว่าเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อยและม้าก็เป็นสุขอยู่ในการกินหญ้าแห้งโดยคิดว่าเป็นหญ้าสดอยู่นั่นเองอันที่จริงอูดนับว่าเป็นสัตว์ที่มีความคิดที่เรียกว่าก้าวหน้าเพราะไม่ยอมเดินวน ชอบเดินไปข้างหน้าเรื่อยแต่ก็เสียก้นมนุษย์คนตั้งปวงของจิตตนครก็เป็นสุขอยู่กับการถูกผูกย่อนย่อนอันที่จริงก็ต้องเดินวนอยู่ไปมาภายในระยะของเครื่องผูกต้องบริโภคต้องใช้สิ่งที่ไม่ต่างจากหญ้าแห้งจึงมีสถานการณ์ไม่ต่างกันไปมากนักและสมุทัยจะไม่ว่าใครถ้าไม่คิดไม่ทาการสลัดออกไปจากอำนาจ คือถ้าไม่ก่อการล้มล้างอำนาจของสมุทยัยฝ่ายสมุทยก็จะปล่อยไว้อย่อนๆคล้ายกับเป็นอิสระเสรีแล้วผู้ที่เคยเห็นอูดเดินวนบ่อชักน้าลงลำรางให้ชาวนาอาจจะขำหรืออาจจะสังเวชแต่สิ่งที่ควรจะรู้สึกที่สุดคือควรจะรู้สึกว่าสามัญชนก็ไม่ผิดจากอูดในการถูกสมุทัยผูกให้วนเวียนอยู่ในวั ต, ตะความทุกข์ที่อูดได้รับ ในการถูกหลอกให้เดินวนอยู่เช่นนั้นเปรียบไม่ได้กับความทุกข์ที่ได้รับจากการถูกสมุทยัยหลอกให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ตลอดเวลาอูดนั้นไม่มีสติปัญญาความสามารถพอจะช่วยตัวเองให้ไม่ต้องเดินวนต่อไปได้แต่มนุษย์สามารถช่วยตัวเองให้ไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏฏะสงสารได้เมื่อมนุษย์ยอมให้สมุทัยหลอกให้เดินวนเวียนอยู่โดยไม่คิดช่วยตัวเอง พ้นจากอำนาจของสมุทรไทยมนุษย์จึงเป็นที่น่าสงสารน่าสลดสังเวชยิ่งกว่าอูดและยิ่งกว่าม้าที่ถูกหลอกให้กินหญ้าแห้งมากมายนะัก